บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปธรรมะปฏิบัติที่พูะเจ้าทรงจำแนกแสดงไว้โดยวิจิตพิสดาร น, นั้นเป็นการชี้บอกถึงสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่แล้วโดยธรรมชาติธรรมดาของสิ่งดดนั้น ลงเพียงแต่นำมาเปิดเผยชี้แจงแสดงหรือกระทาสิ่งที่ยังลุ่มลึกอยู่ให้ตื่นขึ้นเพึ่ง่ายต่อการศึกษาและการปฏิบัติของบุคคลทั้งหลายเป็นประการสำคัญดังนั้นธรรมะทั้งปวงจึงอยู่ในโครงสร้างของพระธรรมคุณทั้งหกบทที่มีการสวดสรรเสริญกัน ในความเป็นพระธรรมกุลทั้งหกบทนั้นถึงสังเกตว่าอาการลิโกนั้นเป็นการแสดงถึงสภาวะของธรรมะเขาเป็นยังไงเขาก็เป็นอย่างที่เขาเป็นในส่วนดีก็คงดีอยู่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกาลาเทศะแต่ประการใดในส่วนไม่ดีก็เป็นอย่างนั้นส่วนที่เป็นกลางกลางก็เป็นอย่างนั้น แม้แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาและการปฏิบัติก็ไม่ถูกกัดขวางด้วยการหมายความว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วผลก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุเสมอไปจนถึงผลระดับที่เป็นมรรคผลผนิพพานก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพียงแต่เวลาพูดนั้นท่านพูดเป็นเรื่องของขนาจิต เรื่องในแง่ของผลแล้วมันก็ไม่มากมายกนาดันั้นแต่พอนาสิ่งเหล่านั้นมาคิดเขียนเป็นรูปอักษรเป็นภาษาขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นรูปมันกินเนื้อที่ดูแล้วก็เป็นเรื่องยุ่งยากเกิดแต่จริงแล้วเกิดรูปเดียวมันก็เป็นทั้งเหตุทั้งผลในขณะนั้นบในส่วนสวากาโต ที่เราแปล ว, ว่าพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นเป็นการแสดงเึ่งการจำแนกชี้แจงแสดงธรรมแยกประเภทให้คนทั้งหลายเห็นตามความจริงเป็นการชี้บอกว่าอะไรเป็นอย่างไรก็สิ่งนั้นก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างโบราณบัณฑิตที่นั่นยกย่องการเทศของพระพุทธเจ้า มีลักษณะเป็นสูตรคือเราจะพบว่ายกย่เหมือนกันทุกแข่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงท้ำเหมือนกับเปิดฝาของที่เขาปิดไว้ก็แสดงว่าในภาชนะนั้นบรรจุอะไรอยู่เมื่อเปิดออกไปแล้วสิ่งนั้นก็อยู่ในภาชนะนั่นเองผู้เปิดไม่ได้นำของไปใส่ไว้ในภาชนะ เพียงแต่ว่าภาชนะมันปิดไว้ผู้เปิดก็ไปเปิดขึ้นมาเมื่อคนมองไปที่ภาชนะก็จะเห็นของซึ่งอยู่ในภาชนะมาแต่เดิมนั่นเองธรรมะปฏิบัติทั้งหลายก็จะมีลักษณะอย่างนั้นตัวอย่างเป็นเรื่องของปกปิดไว้ด้วยโมหะคือความหลงหรือบางครั้งปิดไว้แรงด้วยหน้าของอวิชชา เป็นความมืดปอดในการใช้เหตุผลสติปัญญาพระเจ้าก็เปิดเผยมาชี้บอกบางเรื่องเป็นเหตุผลปกติธรรมดาแต่คนที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบเป็นเครื่องพิจารณาเชียบเคียงก็จะมองไม่เห็นในจุดนั้นราเราเห็นว่าการเปิดเผยบางอย่าง อย่างระดับของศีลจะเป็นการพูดในแนวอุปมาทีปเคียงเอาตัวคนเป็นฐานเพราะตามปกติแล้วคนเราจะคิดอะไรจะพูดอะไรหรือแม้จะทำอะไรก็จะอาศัยตัวเองเป็นฐานแม้การตัดสินผิดถูกส่วนใหญ่ก็ใช้ตัวเองเป็นฐานในการคิดที่มีเป็นนันมากมาคิดไปแล้วพูดไปแล้วก็เป็นปัญหา เพราะตัวเองนั้นไปขัดแย้งกับตัวของความจริงความรู้สึกนึกนึกคิดของบุคคลเหล่านั้นไปขัดแย้งกับความจริงก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าไม่ยุติธรรมคือไม่ยุติด้ธรรมธรรมะว่าอย่างหนึ่งใบแสดงความคิดเห็นไปอีกอย่างหนึ่งเมื่อไม่ยุติธรรมมันก็ไม่เป็นธรรมเมื่อไม่เป็นธรรมมันก็กลายเป็นความไม่เที่ยงธรรม พอไม่ยึดติดธรมไม่เที่ยงธรมไม่เป็นธรรมก็กลายเป็นความขัดแยง้งทุกฝ่ายตั้งเอาตัวเองเป็นฐานหมดแล้วก็มีการต่อสู้มีการทำลายลักงกันก็กลายเป็นอาการที่เรียกว่าผู้ชนะคือผู้จิตถูกต้องผู้แพ้คือผู้ผิดอย่างสมุนโบราณท่านใช้กันมาชนะเป็นเจ้าแพ้เป็นโจท ถึงแม้แต่การปกครองบ้านเมืองในปัจจุบันก็มีลัทธิะอย่างนีน้การปฏิวัติรัฐประหารถ้าปฏิวัติรัฐประหารสำเร็จก็กลายเป็นผู้ถูกต้องถ้าไปสำเร็จก็กลายเป็นกบฏที่จริงแล้วกระทาอย่างเดียวกันเจตนาก็อย่างเดียวกันเพียงแต่ว่าสำเร็จก็ไม่สำเร็จเท่านั้น นั่นคือลักษณะการใช้ตัวเองเป็นฐานในการคิดในการทำแทนที่จะใช้ธรรมะเป็นข้อยุติเมื่อไม่ไมมีข้อยุติความขัดแย้งก็ปรากฏอยู่ในส่วนต่างๆอย่างที่เราพบเห็นกันที น, นั้นมองไปมองมาแล้วมันก็อยู่ในใจคนแล้วคนกระหายคนใครที่จะได้ความยุติธรรมความเทียงธรรมความเป็นธรรม แต่บุคคลอุดมเป็นฐานในการคิดในการตัดสินให้ความต้องการแก่ตัวเองบางครั้งที่แรงแรงพระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่าอัตวาทุกปาทานคือประทานที่ว่าตนตนเป็นความถูกต้องตนเป็นความดีงามตนเป็นความเหมาะสมเลยทุกคนต้องฝังตัวเองต้องเชื่อตัวเองเลยกลายเป็นปัญหา เรามองย้อนมาก่อนตัวพระเรจ้าจะเทศความรู้สึกหึืคิดของคนมันก็เป็นอย่างนั้นพระเจ้าจึงนาเรื่องนี้มาเปิดเผยชี้แจงแสดงให้บุคคลทั้งหลายได้ทราบว่าความถูกต้องความเทีงธรรมความเป็นธรรมในเรื่องนี้เป็นอย่างไรบางเรื่องเป็นเกณฑ์ที่เราคิดเอาโดยอุปมาอุปไมย จากความคิดในระดับศีลจนสังเกตว่าคิดแบบอุปมาอุปไม ห, หมายความว่าอาศัยพื้นฐานความคิดเอาตัวเองเป็นหลักแล้ก็มองกลับมาที่ตัวเรารักชีวิตเรารักทรัพย์สินของเรารักคู่ครองของเราไม่ต้องการให้ใครโกหกหรอกลวงเราเมื่อมองไปที่คนอื่ น, ค น, นคนอื่นก็คิดโดยฐานเดียวกัน ธนูธนอมชีวิตธนูธนอมทรัพย์สินธนูธนอมผู้ครอบต้องการการรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกระสานกิริยาปฏิกิริยาเพื่อให้ตอบสนองความต้องการของกันใดกันเป็นการตัดกระแสของเวรของภยัยของอันตรายช่วยให้การอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขและการลดความขัดแยง้งความรุนแรง ควมุติธรรมระดับนี้จึงเป็นการคิดเอาตัวเองเป็นฐานในการคิดแต่ถิ่นในความรู้สึกนึกคิดที่เป็นสากลซึ่งสามารถสื่อสารติดต่อกันได้งา่ายดูแลมันน่าจะทําได้มันน่าจะสร้างความสงบสุขสันติสุขให้เกิดขึ้นแก่สังคมได้หรือแม้แต่ในวิถีชีวิตของบุคคลได้ แต่ผมมองไ ป, ป, ไป ล, ลึกเพราะว่าคนนั้นยังเขียนแก่ตัวมีโมหะปิดบังเหตุผลสติปัญญาเอาไว้สามารถจะอ้างเหตุเพื่อทำความชั่วได้ถึงการอ้างลักษณะนี้ก็มีอยู่แล้วก่อนที่พระเจ้าจะอุบัติเหตุและคนอ่า น, น, นก็ทำความชั่วไป อ่างไม่พร้อมที่จะทำความดีสามารถชี้แจงอธิบายได้และในที่สุดก็ไม่ทำความดีปัญหาคงจะเกิดขึ้นเรื่องเหล่านี้จึงเป็นการเปิดเผยหรือเป็นการเปิดสิ่งที่ปิดเอาไว้ท่านัันเดงกให้มาดูเช่นการกรตัญญูกตวเวทีระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน พระเจ้าก็มาสอนชี้แจงให้ดูให้ลองคิดกลับในแนวเดียวกันเราจะเห็นว่าศีลธรรมจรญญานะั้นก็คิดกลับแ น, เนวเดียวกันเพียนที่นั่งกันดูเช่นลูกอากตันยูก็สอนลูกให้สมมติตัวเองเป็นพ่อเป็นแม่ แล้วก็มีลูกหลายคนลูกอากาตันต์อยู่ไม่เลี้ยงดูเราเจ็บไข้ไม่สบายพี่คนพี่การไม่มีใครเอาใจใส่เลี้ยงดูนั้นจะเป็นยังไงก็สอนให้คิดเอาซึ่งเมื่อคนพยายามคิดพยายามเทียบเคียงก็จะเกิดความเข้าใจได้ในติ้าสัจา จ, จะมีลักษณะอย่างนั้น แต่อย่าลืมว่าความกตัญญูกะตะเวทีบุปการีรขันติเมตตาเป็นต้นที่จริงเขก็มีอยู่แล้วพระเจ้าเองก็เคยเลี้ยงมารดาบิดามาในชาติต่างๆไปเด็ดมากแม้แต่ชาติที่เป็นสัตว์เป็นนกแขกเต่าเป็นช้างเป็นอะไรแต่อะก็เลี้ยงดูพ่อแม่ตัวแสดงว่าระดับเดิมก็มีการเปิดเผย อ, อีกแล้ว สิ่งนั้นที่ความที่ที่ปิดเอาไว้ก็มีการเปิดขึ้นมาแล้วแต่วิญญาทรงเปิดทุกระดับเปิดระดับมนุษย์ระดับสวรรค์ระดับนิพพานโดยเฉพาะระดับนิพพานนั้นก็ไม่มีการศึกษาไม่มีการสั่งสอนกันไม่มีใครรอบรู้ถึงเรื่องลึกซึ้งขนาดนั้นได้พระเจ้าก็มาเปิดขึ้น อุปมาข้อต่อไปทั้งบอกเมืองหงายของที่คว่มไว้ก็แสดงว่าภายใต้ภาชนะที่คว่าอยู่นั้นมีอะไรมันก็มีสิ่งนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ว่าคนไม่เห็นเพราะมันคว่มไว้เท่านั้นเด็กพระเจ้าก็มาหยิบหงายขึ้นหงายเพื่อให้คนก็เห็น เราจึงพบคําสอนระดับที่เราเรียกว่าปฏิวัติเป็นการประพฤติปฏิบัติที่ก็มีการปฏิบัติแล้วในชั้นนั้นเพียงแต่ว่าปฏิบัติผิดด้านแทนที่จะใช้ด้านหัวไปใช้ด้านก้อยแทนที่จะใช้ด้านล่างไปใช้ด้านบนหรือใช้แทนที่จะใช้บนไปใช้ล่างใช้นา ม, มือไปใช้หลังมืออะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็พลิกกลับขึ้นมาใช้ ให้ยุติด้วยธรรมให้เป็นธรรมไม่เที่ยงทรรมสิ่งนั้นก็คงเป็นสิ่งนั้นเคยมีอยู่อย่างไรก็มีอยู่อย่างนั้นคนจะรับประโยชน์หรือไมไ่รับประโยชน์พระพุทธเจ้าก็ทำได้แค่หงายขึ้นจากนั้นก็มีการแนะนำศึกษาให้ เ, เกิดการเรียนรู้เกิดความเข้าใจ รือไมอย่างนั้นก็บอกทางแก่คนที่หลงทางทางเดินของชีวิตเราที่จริงมันก็มีอยู่สองทางคือทางถูกทางผิดทางเสื่มทางเจริญทางดีทางชั่วทางนรกทางสวรรค์มันก็มีอยู่สองทางแค่นั้นเองในสมัยที่พระพุทธเจ้ายังไม่ตรัสรู้วิถีชีวิตคนก็เดินไปสองทาง แต่เป็นคนการเดินสองทางที่สุดขั้วคือซ้ายจัดกับขวาจัดสายหนึ่งก็ปลนปลือมบำรุงบำรเรอตนเองในรูปรวัตถุมอเมาด้วยวัตถุการมทั้งหลายดิ้นรนขวนขวายเพื่อได้เพื่อมีเพื่อเป็นแล้วก็ปลนปลื้มบำรุงบำรเรอตัวเองในเรื่องนั้นมีรูป ตอบสนองความต้องการของตนมากมากมีเสียงหลากหลายมีกลิ่นหลากหลายมีรถหลากหลายมีสัมผัสหลากหลายแล้วก็ไม่มีใครเต็มไม่มีใครอิ่มไม่มีใครพอไม่มีใครหยุดพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดเป็นความขัดแย้งเพราะต่างคนต่างอยากได้ก็มีศึกสงครามเราพบศึกสงครามก่อนทรรมัยพุทธกาลเป็นนันมากที่เราเห็นได้ชัด พระามเกียรติที่เป็นาหายุทธสงครามก่อนพุทธกาลก็แย่งผู้หญิงคนเดียวมาพาราตยุทธซึ่งเป็นเหตุการณ์ก่อดหลังรามเกียรติรบกันในองศาคณะญาติด้วยกันฆ่ากันตายเกลื่อนไปหมดทำไปทำมามาก็แย่งราชสมบัติกันราชสมบัติที่จริงก็คือวัตถุ ก, การ ผู้หญิงคือนางศีดาเองก็คือวัตถุ ก, การมมนุษย์ยุก่อนพุทธกาลแย่งวัตถุกรรมกันสมัยพุทธกาลก็คงแย่งเดี๋ยวนี้ก็ยังแย่งกันอยู่ต่อไปก็แย่งกันอีกนันก็แสดงเห็นว่าการเดินไปทางสองเส้นทางและนำไปสู่ปัญหาอีกสายหนึ่งต้องการที่จะสลัดวัตถุ ก, กรรมรุนแรงเกินไป เรามาณตัว เ, เองด้วยวิธีการต่างๆที่เรียกว่าอัติกลามาฐานนโยเพราะจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สร้างทางที่สามขึ้นแต่เพียงแต่ปรับไอ้ทางที่มันตึงไปทั้งสองด้านเนี่ยมาอยู่ตรงกลางเราเรียกว่ามัชชิมาปฏิปทายังอิงอาศัยวัตถุกรามอยู่ ตัวผู้ปฏิบัติเองยังมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสอยู่ยังต้องเกี่ยวข้อมารูปเสียงกลิ่รสสัมผัสอยู่แต่ก็ใช้ปัญญาเป็นหลักเพื่อเรียนรู้ให้เกิดความรู้ความเข้าใจที่เรรู้เท่าทันตามความเป็นจริงในระดับต่างๆพอเราจับตามระดับขั้นตอนของใจสึขารืออริยมรรคก็จะเห็นได้ว่าในความเป็นวัตถุ ก, กรมนั่นเอง พูดง่ายๆว่าความเป็นขันธ์หหรือควาเป็นชีวิตความเป็นคนความเป็นสัตว์ในแง่ของโมหะในแง่ของอภิชาแล้วคนมันแบ่งแยกรุนแรงเป็นเราเป็นเขาจนถึงก็ต้องทํำลายล้างคำพูดที่แรงแรงพฤติกรรมที่แรงแรง ใครขวางข่ายอยู่ใครยอมข่ายอยู่ใครขวางฆ่าตายหรือผลประโยชน์ขัดกันก็ปันไหลตายจะได้ขั้งหนึ่งจึงจะดีมุ่งล้างมุ่งทำลายกันบางทีทำลายหมดทำลายทั้งชีวิตทำลายทั้งทรัพย์สินบางทีทำลายเฉพาะชีวิตโดยก็ยึดครองทรัพย์สินไอ้ตัวทรัพย์สินเองก็เป็นวัตถุ ก, กรรม พระเจ้าก็มาสอนเรื่องสร้างจิตสํานึกมาพูกกันในระดับศีลในความเป็นคนเป็นสัตว์นั้นก็ยังยอมรับความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาแต่เป็นการปฏิบัติ ท, ทํามองว่าขับรถกันไปบนถนนทุกคนก็นั่งในรถของตัวเองขับรถตัวเอง ก็อยู่ในทางกันตัวเองคนอื่นก็ขับกันไปในรถของเขาเช่นเดียวกันก็ตั้งคนต่างไปตั้งคนต่างทางเขารบกวจราจรก็สามารถจะเอื้อเฟื้อสามารถดูแลเกิอดอุบัติเหตุก็ช่วยเหลือกันได้แต่ไม่ล่วงเกินกันไม่ปาดหน้าไม่แซงซ้ายไม่แซงขวาไม่เบียดแทรกเพราะอีฝ่ายหนึ่งต้องตกไปจากถนน ทุกคนก็ไปบนทางของตัวเองไปสู่จุดหมายปลายทางของตัวเองบนเส้นบนเส้นทางที่เดินไปด้วยกันนั้นก็ปฏิบัติเกื้อกูลกั น, กนตา ม, มาะตามควรถึงแม้จะไม่ทำขนาดนั้นก็อย่าเบียดเบียนกันก็ถือว่าดีในเช้นศี้ความรู้สึกคงเป็นเราเป็นเขาอยู่เพียงแต่ไม่หักหาน ร, รุนแรงอย่างในระดับแรกที่มีการทำศึกสงครามกัน คนระดับธรรมะปฏิบัติไม่ว่าเราจะพูดเรื่องเมตตากรุณาเรื่องอะไรก็ตามเรื่องขันติเรื่องโสระจจะเรื่องสติสัมปชัญญะหิริยะตาปะก็แล้วแต่หยิบธรรมะข้อไหนขึ้นมาพูดพอไปเกี่ยวข้องกับคนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาลดลงแต่ว่ามีความเป็นเรากับมีความเป็นพวกเราเพิ่มขิ้น การวัดจึงไม่ได้อยู่ในจุดของการงดเว้นไม่เบียดเบียนกันอย่างเดียวแต่ก็เดินหน้าไปอีกขั้นหนึ่งคือเกื้อกูลต่อกันมีการส่งเคราะห์นุกันมีการแบ่งกันกินมีการแบ่งกันใช้เป็นการพูดถึงเรื่องทานเนการพูดถึงเรื่องเมตตาพูดถึงเรื่องกรุณาพูดถึงมุทิตาเพื่อให้เรากับเขาที่มากลายเป็นพวกเราอยู่ร่วมกันเป็นมิตรสนิทสนม จนทุกก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้การปฏิบัติเกื้อกูลต่อ ก, กันการกระทำนั้นเป็นคุณแก่กันและกันแต่ว่าเจตนาเป็นเหตุกรททำนั้นเป็นบุญเป็นคุณภาพทางจิตวิญญาณของบุคคลเหล่า น, นั้นที่ได้แสดงออกกิเลสก็ลดไปจางไปคลายไปบรรเทาไปจากใจพฤติกรรมก็มีความสงบเยือกเย็นมากยิ่งขึ้นและโลกจึงกลายเป็นเรากับพวกเรา ในดับแรกกลายเป็นเขากับพวกเขากัเราก็เรากะ เ, เขาหรือเขากัพวกเราก็พวกเขาแต่ไม่เบียดเบียนกันพอมาชั้นธรรมะปรากฏว่ากลายเป็นพวกเดียวกันในความคิดแม้ประทุษร้ายก็ไม่มีซึ่งตามปกติแล้วประทุษร้ายกันทุกเรื่องแต่ว่าจิตมีธรรมะแล้วแม้แต่ความคิดประทุษร้ายก็ไม่มี ตึงสังเกตว่าการมีบัตรระดับที่เรียกว่ากุศลกรรมบุคือทางดําเนินชีวิตของผู้ที่ฉลาดเรงความรู้สึกนึกคิดต่อคนอื่นต่อทรัพย์สินเงินทองของบุคคลอื่นไม่ถึงกับโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นไม่ถึงกับโกรธจนอาฆาตพระบาดปองร้ายบุคคลอื่น พราะเพรใจนั้นเห็นชอบตามทํานองครองธรรมเจ้เห็นบาบุญคุณโทษไ ด, ด้ชัดเจนมีความรู้สึกที่ละเมียดละใหม่ขึ้นไปจนว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นก็เป็นอาศัยเกิดอาศัยแก่อาศัยเจ็บอาศัยตายพอตายแล้วก็ทิงพระเจ้าก็สอนให้เราหวงถึงชีวิตอีกระดับหนึ่ง จะมองเห็นว่าร่างกายนี้ไม่ได้ ย, ยั่งยืนในที่ยงแท้แน่นอนอะไรพอถึงวันหนึ่งเนี่ยก็จะต้องตายต้องทอดทิ้งสริระร่างกายเอาไว้ร่างกายนี้เป็นดินน้ำลงไฟอากาศจึงมีอยู่ในโลกเราอาศัยเป็นที่ครองขันขันเป็นที่อยู่อาศัยของจิต มันจะช่วยให้ชีวิตดำรงอยู่ด้วยความไม่ประมาทแล้วก็ไม่ไปสร้างปัญหาอะไรเพื่อปนปลือร่างกายตัวเองมากเกิดไปเพราะก็จริงร่างกายมันก็ไม่ใช่ของเราเป็นของยืมมาชั่วคราวต้องทิ้งไปในที่สุดไม่ว่าร่างกายจะประณีดยังไงก็ตามในสุดก็ต้องทิ้งไปเตือนว่าใจมันเกิดช่วยให้ไม่ประมาทพยายามใช้การเวลาด้วยจิตสํานึกรับผิดชอบ ที่จะปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเราให้มีความประณีตมากยิ่งขึ้นอยังไม่มีอะไรก็มีพบชาติที่ประณีตขึ้นแต่ที่จะตายจากมนุษย์เป็นมนุษย์ก็ตายจากมนุษย์ไปสวรรค์หรือแม้แต่มนุษย์ก็ให้ประณีตยิ่งขึ้นข้อที่ทรงสอนในระดับของสังสารวัตคือทํายังไงอย่าให้ตกนรก ที่เียกว่าเจตูหปาเยหิตวิตปมดดุตโตคือเป็นจิตหลุดพ้นจาก น, นรกได้ตอนนี้ไม่ได้พูดเรื่องนิพพานแต่ว่าพูดเรื่องโลกที่เราเป็นเร า, เ ป, เ, ราเป็นเรากับพวกเราอย่างนี่้จะทํำยังไงอย่าให้เรากับพวกเราตกตก น, นรกเพราะจะมีการไปปฏิที่เกื้อกูลต่อกันเพื่อช่วยเหลือกันอะไรกันอย่าให้ตกนรก ซึงก็หมายความว่าพบชาติมันประณีตขึ้นเป็นการปฏิบัติยกภูมิจิตให้สูงขึ้นจิตมีภูมิธรรมมีธรรมคุ้มครองใจมีธรรมะเป็นเรือนใจเมื่อภูมิจิตมัเป็นอย่างนั้นพบกงจิตมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องภูมิเรื่องพบนั้นเพิ่งสังเกตว่าคาว่าภูมินั้นเหมือนภูมิรู้มือนความสามารถเป็อนอะไรแต่อะไรต่างๆที่เรามีอยู่ภายในใจมันเป็นนามธรรมา ภูมิรูเรายิ่งสูงเนี่ยเราจะได้พบคือหน้าที่การงานตำแหน่งในสูงเงินเดือนก็สูงเกียรติยศก็สูงอะไรก็สูงตามไปแต่ถ้าภูมิรู้เราต่าแม้มีตำแหน่งหน้าที่การงานเหล่านั้นเราก็ไปสูมตรงนั้นไม่ได้เพราะพบภูมิต่างๆที่จะอุบัติบังเกิดก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับภูมิจิตภูมิจิตนั้นขึ้นอยู่กับภูมิธรรม หมายความว่าถ้าภูมิธรรมสูงภูมิจิตก็สูงภูมิจิตสูงครบคือจิตการอยู่ของจิตการครองชีวิตในแต่ละวันก็สูงเราจะมีปัญหาอะไรต่างๆมากมายก่าย ก, กองคุ้ม ร, มรุมกันมาอ่านหนังสือพิมพ์ดูโทรทัศน์ฟังวิทยุมีแต่เรื่องวุ่นวายถ้าภูมิธรรมไม่มากพอมันจะเดือดร้อนวุ่นวายกับเรื่องเหลนั้นแต่ถ้าภูมิธรรมสูงภูมิจิตภูมิจิตสูง มันก็ยกจิตขึ้นเหนืออารมณ์โดดนด้นได้เรื่องนั้นก็สักไปว่าเรื่องโดดนั้นจิตเราก็สักไปว่าจิตเราเป็นคนที่ไม่แปดเบื้อนให้เราสังเกตว่ามันเหมือนกับโคนตรมอะไรต่างๆปลุกอารมณ์ไม่ดีทั้งหลายมันก็อยู่อย่างที่มันอยู่ไม่ใช่พอ ม, มีคนตรมทุกคนต้องเพื่อนคนตรม คนที่ฉลาดแม้เดินไปท่ามกลางโคลนตรมก็ไม่เปื้อนปัญหาว่าเราจะเดินยังไงจะทำยังไงเท้าจะไม่เปื้อนมันก็เดินกันได้อย่างที่พ่อเห็นกันมีคนบางพวกตอนนั้นเองที่กระโจนลงไปแปดเปื้อนหรือบางทีก็เปื้อนไปหมดเลยหกลบหกลุกอยู่ในโคลนตรมแบบนั้นทําทําไมเป็นเช่นนั้ น, าา เ, น, น, นเพราะเรากระโดดลงไปเองโคลนตรมอยู่ก็มันอย่างที่มันยู เราไม่ลงไปเลยอย่างได้ก็มีคนเป็นาามากที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้แปดเพื้อนไม่ได้กลิ่นกุ่นตรงก็ไม่ได้นั้นก็แสดงว่าถภูมิจิตยิ่งสูงเท่าไหร่ภูมิธรรมยิ่งสูงเท่าไหร่มันก็ไกลสิ่งสปกปรกนั้นขึ้นไปโดยลำดับและการปฏิบัติแนวนี้พอมาถึงระดับที่เรียกว่าวิปัสสนาเป็นการปฏิบัติขั้นของปัญญา เป็นความสมบูรณ์พร้อมของศีลสมาธิและปัญญาคนจะรู้แจ้งโลกตามความเป็นจริงว่าโลกนั้นไม่มีอะไรโลกเป็นของว่างในแง่ความเปนจริงแล้วไม่มีทางเราไม่มีทางของเราไม่มีทางพวกเราแต่การมองอย่างนี้เป็นการมองสัมพันธ์กับการพัฒนาขึ้นของจิตคือเมายความว่าจิตอยู่ในปูมที่สูง ถ้าภูมิจิตเราไม่ไม่ถึงแล้วคืนไปคิดอย่างนั้นไปทําอย่างนั้นันจะยุ่งกันใหญ่เพราะอะไรเพราะจะปฏิเสธบาปบุญอาจจะฆ่าสัตว์โดยไม่ได้ถือว่าเป็นบาปอะไรก็ได้อย่างที่เคยปรากฏเรื่องราวต่างๆในประวัติศาสตร์เพราะภูมิจิตกับภุมิธรรมยังเป็นส่วนสัมพันธ์กันเป็นความรู้ที่เกิดผุดขึ้นภายในจิตจริงๆ แต่ในขณะเดียวกันมองคนซึ่งยังรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นพวกเราพวกเขาหรือแม้แต่เราก็พวกเราด้วยความเมตตาครุณาต้องการที่จะช่วยเขาเปิดของที่ปิดไว้งายของที่คว่มอยู่หรือบอกทางที่ถูกต้องให้แก่เขา ต ล, ลอดถึงอุปมาข้อสุดท้ายที่ท่นอุปมาว่าเบือนึ่งก็สองปฏิปในทิพยมืดสิ่งอะไร่มันอยู่ในทิพย์มืมันก็อยู่อย่างนั้นเองที่เราไม่เห็นเพราะมันมืดพอจุดไฟขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นวางอยู่ตรงไหนก็วางอยู่ตรงนั้นที่เราได้เห็นได้ก็เพราะมีคนจุดไฟขึ้นธรรมาทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสแสดงก็ทรงสแสดงลักษณะที่จุดไฟขึ้นในท่ามกลางความเบื่อ เพื่อคนที่ตาไม่บอดถ้าแม้จะจุดไฟขึ้นแต่ตาบอดมันก็ไม่สามารถที่จะเห็นได้แต่ว่าคนที่ตาไม่บอดก็จะเห็นสิ่งเหล่านั้นตามความเป็นจริงแล้วจะน้อมนำธรรมะไปศึกษาไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่เป็นเรื่องการโดดบันดาลเป็นเรื่องของการหงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางส่องประจิตในที่เปิด ซึ่งผลจะจะเกิดขึ้นแก่คนเราอื่นหรือไม่เป็นเรื่องที่ขเขาเล่านั้นจะต้องปลูกฝังศรัท ธ, ธายอมรับนับถือศรัท ธ, ธาเชื่อฝังและปฏิบัติไปตามที่ทรงแสดงเอาไว้ผลจะก็จะเกิดขึ้นตามสมควรแก่เหตุที่ได้ประพฤติปฏิบัติเสมอไปไม่ว่าจะปฏิบัติโดยใครที่ไหนอย่างไรก็ตาม ต่อตนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป